เสียงอ่านหนังสือสวดมนต์ต้องไม่โค้นสาธยายสมเด็จพระพุทธโคษาจารย์ป่ออประยุตโตจากต้นฉบับพิมพ์ครั้งที่สตุลาคมพุทธศักราชสองเสียงอ่านโดยอริยคุณพุทธธรรมชมรมผลดีจัดทาเพื่อเป็นธรรมทานโดยพระพีพรกมัจฉพลกสิตธาละพิรัตนากูลนพรัตน์มโนอรรวัจตุรัวัฒนากู พัทุราช่างพินิษฐวิาพาภรแสนเพื่อนสุภาพรเทียมบุญประเสริฐเจริญพรเอี่ยมวงสีครอบครัวทองสีทองครอบครัวลัทะโลร่วมกับอีกหลายท่านดังรายชื่อในตอนท้ายเรื่องนะครับสัพพะทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมชนะการให้ทั้งปวงสำหรับหนังสือหลายเล่มของสมเด็จท่านจะเป็นการนำเสียงเทศนามาถอดความเรียบเรียงปรับปรุงเพิ่มเติมหมายเหตุ เพื่อเนื้อหาที่ดีสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นแม้ท่านจะเคยฟังเสียงโดยตรงแล้วก็ไม่อยากให้พลาดการอ่านหรือการฟังเนื้อหาที่นำมาจากหนังสือที่ทางวัดจัดพิมพ์เผยแพร่ภายหลังด้วยนะครับสวดมนต์ต้องไม่โค้นสาทยายนี่เราสวดมนต์กันอย่างไรสวดกันมาห0สบปียังไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไร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 ที่ว่าสาธยายก็คือมีสติจำได้ประลึกถึงจับยกนำเอาข้อมูลความรู้ในที่นี้คือพุทธพจน์ขึ้นมาระบุบ่งชี้จัดเรียงเข้าที่ตรงตามลำดับอย่างถูกต้องครบถ้วนอาจจะเป็นการท่องการทวนหรือการทานก็ได้สติจึงเป็นตัวทำงานของการสาธยาย เกิดความรู้ธรรมะหลังปฏิโมกพูดคุยณอุโบสถวัดญาณเวศกวันกามกราคมพุทธศักราชสองพขออนุมโมทนาทีมงานจิตอาสาของชมรมการยานธรรมซึ่งมีทัญยแพทย์หญิงอัชรากลิ่นสุวรรณเป็นประธานที่ได้บำเพ็ญวยยาวัจจะไมบุญกิริยาในการถอดเสียงเป็นตัวอักษรโดยความเอื้ออานวยการประสานงานของพระครูประคุณสรกิจกาวรุนกุศลนันโท วันนี้ก็มาเยี่ยมเยียนพระเยี่ยมเยียนโยมตามปกติเป็นผลสืบเนื่องจากการมาฟังปาติโมกหรือมาในวันอุโบสถคือเป็นการมาตามปกติตามพระวินัยนั่นเองแต่ต่อไปนี้โอกาสที่จะมาคงจะน้อยลงไปเช่นคราวหน้าก็จะมาไม่ได้คงติดอยู่ในโรงพยาบาลก็ไม่เป็นไรมาได้เท่าไรก็เท่านั้นเมื่อมาพบปากกันก็คุยกันไป ว่าถึงการเวลาที่ประสวดปาติโมกวันนี้เป็นอุโบสถที่สของฤดูหนาวหรือเหมันแต่ฤดูหมายความว่าฤดูหนาวที่เรานับตามจันทรคติผ่านมาครบสองเดือนวันนี้ก็คือถึงครึ่งฤดูเหมันเหลืออีกสองเดือนต่อจากนั้นก็จะเข้าฤดูคิมหันหรือถ้านับย่อยก็จะเข้าสุวัสันคือฤดูใบไม้ผลแต่เรานับเอาฤดูใหญ่จึงอยู่ในคิมหัน คือฤดูร้อนก็เอาละ่ะนี่ก็พูดไว้เพื่อให้ระลึกรู้ถึงการเวลาที่คืบหน้าก้าวไปกับความเปลี่ยนแปลงเจอมันด้วยความรู้ไม่ใช่อยู่กันแค่ความรู้สึกโดยเฉพาะตอนนี้อยู่ในต้นเดือนมกราคมเราเพิ่งเค้่นปีใหม่กันมาไม่นานซึ่งได้กลายเป็นปีเก่าไป9้าวันแล้ว และปีใหม่นี้ก็จะเก่าไปตามลำดับเก่ามากขึ้นมากขึ้นคนควรรู้จักการเวลาไม่ลืมมองมันเพราะการเวลามีความหมายสำคัญสําหรับชีวิตของคนอย่างที่ได้เคยพูดไปแล้วการเวลาอยู่กับชีวิตของเราและมันก็เดินหน้าคู่เคียงไปกับทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเราทั้งหมดพูดถึงปีใหม่ที่ผ่านมานี้ก็ชวนให้ต้องคิดพิจารณาหลายแง่ ในความคิดที่โยงมหาธรรมะอย่างหนึ่งก็คือไม่ว่าเราจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับอะไรอะไรว่าตามหลักพระพุทธศาสนาก็ให้มีความรู้ได้ความรู้คือเกี่ยวข้องด้วยความรู้ไม่ใช่อยู่แค่ความรู้สึกยังเรื่องปีใหม่เนี่ยดูพลาสังคมไทยของเรานี่น่าเป็นห่วงในแง่ที่ว่า ไม่ค่อยจะพบป ะ, ะเจอเจอเกี่ยวข้องรับหน้าอะไรอะไรด้วยความรู้แต่มักจะได้แค่ความรู้สึกเอาความรู้สึกเป็นใหญ่พอถึงปีใหม่ก็มุ่งไปในเรื่องสนุกสนานเอาแต่บันเทิงเริงรมด้านรู้นั้นเป็นเรื่องของความจริงเป็นเรื่องของสภาวะที่มันเป็นของมันอย่างนั้นซึ่งเราจะต้องไปถึงเข้าถึงมันโดยเราต้องรู้จักมัน แต่ความรู้สึกเป็นคุณค่าเป็นอาการที่เราสร้างขึ้นมาในตัวเราเองเป็นปฏิกิริยาในตัวของเราต่อการประสบสิ่งนั้นๆหรือเรื่องนั้นๆเป็นสัญญาณบอกแก่ตัวว่ามันดีหรือร้ายเป็นคุณหรือเป็นโทษจะได้มีท่าทีที่จะเอาจะเฉยหรือจะหนีแต่แค่รู้สึกนั้นยังไม่แน่ถ้ายังไม่รู้จักมันยังไม่ถึงความจริงของมัน คือปัญญายังไม่มาจะเป็นคุณหรือเป็นโทษก็ยังไม่แน่ความรู้สึกที่เป็นกิริยาตอบสนองในทางร่าเริงดีใจนั้นก็ดีอยู่ทาให้ชีวิตปูขึ้นแต่ถ้าเป็นแค่ความรู้สึกของเราเองยังไม่เป็นความรู้จักมันยังไม่ถึงความจริงของสิ่งนั้นเราก็ยังอยู่ในความมืดมัวทำให้ผิดท่าหลงทางได้ จึงต้องให้ความรู้สึกมากระตุ้นเตือนให้ก้าวต่อไปถึงความรู้เอาความรู้จักรู้จริงมีปัญญามาเป็นฐานให้ได้พุทธศาสนาแปลว่าศาสนาของพุทธหรือสารของท่านผู้รู้บางทีเราแปลพุทธว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแต่ที่จริงความรู้นั่นแหละเป็นแกน จะตื่นได้ก็ต้องรู้ถ้าไม่รู้ก็ไม่เรียกว่าตื่นจะเบิกบานได้ก็ต้องรู้ถ้าไม่รู้ก็อัดอั้นตันตื้อมันก็ไม่เบิกบานเมื่อรู้เข้าใจแล้วก็โปร่งโลงสบายเบิกบานได้ตกลงตัวสําคัญอยู่ที่รู้เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะไปสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับอะไรอะไรก็ให้เอาความรู้ขึ้นหน้านำไว้ ให้มีความรู้ให้ได้ความรู้ให้มองด้วยความรู้ปีใหม่ที่มาถึงนี่มีเรื่องต้องรู้เยอะเลยเอาง่ายๆขึ้นปีใหม่คือหนึ่งมกราคมด้านรู้ก็ทักว่าเมืองไทยเรานี่มีวันที่หนึ่งมกราคมเป็นวันขึ้นปีใหม่ตั้งแต่เมื่อไหร่เราหาความรู้สักนิดต่อไปก็จะชินกับมันอ๋อ เราเพิ่งมีวันที่หนึ่งมกราคมเป็นวันขึ้นปีใหม่เมื่อพุทธศักราช2484นี่นี่เองนี่ได้เท่าไรแล้วเจ็เกปีใช่ไหมหรือประมาณนั้นลบเอาเองก็แล้วกันนี่คือไม่นานเลยคือเราขึ้นปีใหม่วันที่หนึ่งมกราคมระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งสิ้นสุดในปีพุทธศักราช2 4 8พแแแล้วก่อนนั้นละ่ะเราขึ้นปีใหม่เมื่อไหร่ ก็บอกว่าก่อนนั้นเมืองไทยขึ้นปีใหม่ในวันที่หนึ่งเมษายนเพราะก่อนนั้นมาเราถือว่าวันที่สิบาเมษายนคือวันสงกรานเป็นวันขึ้นปีใหม่แล้วเนหลวงรัชการที่ห้าทรงจัดเข้าระบบแบบแผนให้นับเริ่มต้นในวันที่หนึ่งเมษายนถ้านับสงกรานเป็นวันขึ้นปีใหม่ก็คือว่าไปตามสภาวะหมายความว่า เอาวันเวลาที่ดวงดาวคือพระอาทิตย้ายราศีในวันที่13าเมษายนที่เป็นเหตุการณ์จริงในธรรมชาติเป็นวันเริ่มต้นขึ้นปีใหม่แต่ที่นี้เพื่อจะให้คำนวณ น, นับอะไรต่างๆได้สะดวกเข้าระบบเป็นระเบียบก็เลยเอาวันที่หนึ่งเมษายนเป็นวันขึ้นปีใหม่ที่ว่านั้นคือตั้งแต่พุทธศักราชสองพิได้เท่าไหร่แล้ว ลงเล็กสองพอดีปีนี้ก็ 2,562 เริ่มต้น 2,432 ได้กี่ปีก็ได้130ปีทีนี้ในสมัยรัชกาลที่หที่ทรงจัดตั้งให้นับปีใหม่อย่างนั้นก็คือบ้านเมืองไทยกำลังรับอารยธรรมสมัยใหม่จากตะวันตกบ้านเมืองกำลังจะรับมือรับหน้ากับประเทศตะวันตกที่เข้ามาแล้วจากนั้นมา ก็มาถึงสมัยนี้ที่ว่าเปลี่ยนเป็นขึ้นปีใหม่ในเดือนมกราคมอันนั้นก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าอยู่ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนี่แหละพอถึงปีใหม่แค่นึกถึงปีใหม่เราก็จะมองเห็นความเป็นไปเป็นมาของประเทศไทยอย่างถึงสภาพของสังคมไทยที่เป็นอยู่มองกาละก็เห็นเทศะด้วยเป็นของคู่อยู่ไปด้วยกันเรียกว่ากาละเทสะ ให้เห็นโล่งสว่างอยู่ในปัญญาจึงจะขึ้นปีใหม่ยังได้ประโยชน์อย่างนี้เรียกว่าให้มีความรู้ความเข้าใจเป็นฐานไม่ว่าจะเกี่ยวข้องจเจอเจอรับหน้ากับอะไรก็มองด้วยความรู้เข้าใจและก้าวไปในปัญญาจะต้องตระหนักกันในข้อนี้ไม่ใช่อยู่กันแค่ความรู้สึกแล้วก็คิดเห็นว่าไปอะไรเป็นความจริงที่แน่ไม่รู้